บางคนอที่มีความคิดว่าเอ้ยก็ไม่ได้ทุกข์อะไรการที่มาทําเนี่ยมันเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ทุกข์เกี่ยวกับแข้งขาหรอกทุกข์เกี่ยวกับกิเลสตัณหาทุกข์ขาชาติปุรนปุนังการยึดติดกายยึดติดความคิดเนี่ยเป็นทุกข์อย่างพอเรานั่งปุ๊บเนี่ยมันเริ่มแล้วยึดติดว่าเป็นของเราเนี่ยขาขากูแข่งกู เมื่อยนะแต่เราก็ยึดติดการหลับการนอนเรารู้สึกว่ารดชาติมันโอ้พิสวาสมากนนั้นการที่ไม่ให้หลับรู้สึกว่าอึอดอัดน่ะนเนห็นไหมมันคิดถึงแล้วเวลานั่งตัวเปรี้ยวมันก็คิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงครอบคิด ถ, ถึงครัวจิตมันไม่มีสมาธิที่มันปกติให้ความทุกข์คือมันไม่ทนอยู่ในสภาพของความปกติได้มันแวบไปนั่นแวบไปนี้ ติดความง่วงติดความคิดแล้วก็ติดความติดเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็คิดมากล่ะโอ้ยน่าจะเป็นโลกลโอ่อยมันเมื่อยมันเบือ่อมันหน่ายจิตมันเกิดต่อต้านเจ้าเนี่ยพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเขารวมเรียกว่าทุกข์ละเนี่ยทุกข์คือสภาพที่ทนอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นแข้งขาเนี่ยมันก็เป็นแบบ น, นี้แหละเดี๋ยวมันก็เจ็บตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้เป็นธรรมชาติมัน เราเฉยกับมันเป็นไหมหรือถ้าทนไม่ได้มันเจ็บมันปวดก็แก้ไขเท่าที่แก้ไขได้แต่ใจอย่าไปคิดกับมันเนี่ยทําเป็นไหมถ้าทําไม่เป็นไอ้นี่แหละจะพาเราทุกข์ถ้าเราทําไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะทุกข์มันจะปรุงแต่งขึ้นเรื่อยๆ่อยเามาคิดมาเข้ามาเข้าเนี่ยแต่กกลายเป็นความอยากแต่กลายเป็นความงุดนงดอึดอัด แสดงอาการนู่นนนี้ออกมาจิตเนี่ยพอมันมีเชื้อของมันอยู่ข้างในแล้วเราปฏิบัติทำจึงพยายามรู้สึกตัวนี้เพื่อทําลายเชื้อมันเชื้อของความคิดความอยากก็คือความไม่รู้สึกตัวนั่นแหละเครื่องวัดของมันในเบื้องต้นก็คือต้องไม่ให้มันง่วงความง่วงเป็นอาหารของมันนะ่ะอาหารของทุกทั้งหลายทั้งปวงอาหารของความพอใจไม่พอใจเนี่ย ถ้าเราทำได้ไม่ง่วงเลยไม่เหงาเลยโล่งโปร่งเลยสามสีนะ่ห้าวันเนี่ยเรามีโอกาสรู้แจ้งได้เกิดปัญญาได้ไม่ตัวกลร้อนกลัวหนาวนะพระนี่ผมก็ไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่มีถุงตีนถุงมือยังไม่มีเลยแต่โยมนี่ใส่ได้เพี่ยนแต่ไม่ใส่หมวกกระนิ่ พระพก็ยังยังทนได้ทนร้อนทนหนาวได้ประเทศอินเดียเนี่ยเขาบังคับนะมีระเบียบให้ภิกษุไม่อาบน้ําได้แต่ห้ามเกินสิบห้าวันแล้วมีอีกหนึ่งว่าภิกษุพระบริธเจ้าอนุญาตว่าว่าบังคับไว้ว่าสิบห้าวันให้อาบน้ํานะถ้าอาบทุกวันก็เป็นอาบัติพระสงฆ์นี่อาบทุกวันเป็นอาบัตินะแสดงว่าเมืองเขามันหนาวมาก หนาวไม่หนาเวลายืนคุยกันเนี่ยมีหมอกกั้นนะเห็นตัวบางๆคนถ้าเทศขณะได้มองหายโยมเนี่ยบางๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยเห็นตัวแต่พระพุทธเจาก็อนุ ญ, ญาตให้ใช้ผ้าสามผืนนะผ้าสบงผ้าจีวรแล้วก็ผ้าคลุมเนี่ท่านคลุมไหลนี่ท่านั่นเองน่ะถ้าไม่ให้มีเยอะท่านเห็นประโยชน์อะไรทําไม่บัญญัติแบบนั้นนะ่ะ ของเรานี่น่หน่อยทุกเก็บตายและหนาวยังงั้นหนาวยางงี้ <c oughs> ไอ้นี่หละคือปัญหาชีวิตหละเพราะเรามีแบบนี้แหละเราจึงไม่สามารถที่จะเห็นธรรมได้ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้สัจธรรมได้เพราะมันเพลินไปกับเวทนายิ่งเรามีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรชีวิตมากมายหลากหลายมันก็บง่งบอกตรงว่าเราเริ่มโง่ขึ้นโง่ขึ้นโง่ขึ้น สติสัมปชัญญะมันไม่ได้ทำงานภูมิธรรมขันติทำอะไรทั้งหลายไม่ได้ออกมาทำงานเลยนะมีแต่เราเอาจากข้างนอกเข้ามานั้นทำให้จิตเราเนี่อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงมันขาดความเข้มแข็งถ้าแม้นว่าคนใดก็ตามนะสามารถมีสติเลืกรู้เห็นกิเลสที่ละเอียดละเอียดได้นี่คนนั้นจะไม่ทุกข์นะ จนกราทั่งเห็นความไม่มีอะไรในใจนะเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมเกิดจิตเห็นการเกิดดับของกิเลสได้เนี่ยจิตมันโลง่ลงโปร่งมันสบายจะมีแต่ภาวะของความว่างอยู่ในใจเนี่ยว่างจากกิเลสว่างจากความห่วงความงับความเบื่อความในกิเลสตัณหาละข้อนุสใสทั้งหลายภาวะนั่นแหละเขาเรียกว่าคนได้เด ว, วงตาเห็นธรรม เป็นผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดมาชาติเดียวนี้ทําให้มันได้ดวงตาเห็นธรรมนะการมันทําแบบนี้เนี่เหมือนเราไปหาหมอนะเนี่ยเราไปหาหมอเนี่ยหมอเขาจะให้อยู่ในโรงพยาบาลเขาเรียกว่าเลี้ยงไข้คือดูว่ามันเป็นโรคอะไรจริงๆเนี่ย ล, ลึกๆมันโรคอะไรบางทีคนไข้มันว่าเอาช่เฉยๆ ว, ว่าเป็นโรคอะไร น, น, น, น, นี้หมอจะต้องวินิจฉัยด้วยตัวเอง คือเฝ้าดูด้วยตัวเองเนี่ยเรามาเนี่ยเรามาเลี้ยงไข่ดูมันนี่เราบอกว่าเราไม่ได้เป็นทุกข์มาจากบ้านหรือว่าเราออกไปใช้ชีวิตเนี่ยไม่รู้อะไรมาบ้างพอเรามาทำนี่มันจะเกิดขึ้นทันทีอ่ะหา้าตัวนี่มาละกามพยาบาทปฏิฆะงุดหงิดทีเนียมีทะาง่วง ง, วนอนง้อนอนฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่เห็นไมเี่ยเนี่ยโลกชีวิตเราเนี่ย มันเริ่มบวมเริ่มแดงเริ่มอะไรขึ้นมา ใ, ใจเนี่ยแต่เครื่องมือในการชำระนี่ก็มีแค่นี้มีพุทธสภาวะคือรู้ตื่นเบิกบานเอาตัวรู้เนี่ยไปดับตัวหลงนั้นยิ่งคนที่เคยฝึกไม่ใช่ฝึกหลอกนะเคยตามใจตัวเองมามากๆเนี่ยมาปฏิบัติธรรมจะรู้สึกว่าทุกมากเพราะมันไม่ได้ตามใจ เ, เขาให้เป็นไปดูคือวิธีการแสวงหาสัจจะเนี่ยจะต้องอยู่ในภาวะที่ มีสติตลอดเวลาต้องมีความสำรวมแต่ทางโลกมันมีเรื่องของความไหลไปไม่รู้ไหลไปไหนในเข้าป่าเข้าดงไปเนะี่ยชีวิตไม่ได้รักชีวิตเลยอะไรก็ชอบอะไรก็ชอบชอบไหลไปตามกิเลกกิเลสก็พาไปดิแต่ชีวิตมันก็เป็นชีวิตที่อะไรนะ่ะเหมือนเราหลงตัวเองคนอื่นเขาก็ไม่พึงปรารถนานะอยู่ใครคนกับเป็นทุกข์อยู่ใครกับเป็นทุกข์หรืออยู่กับคนเดียว มันก็ไหลเขาอยู่กับในความคิดอยู่ในภพในชาติในวิมานกลางอากาศพวกนี้แต่นี่เรามาฝึกมหัดมันนะคนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขานอนตื่นโ น, น้นนะหก0มงแปดโมงสิบโมงอะไรประมาณน้ยี่คนมีกระตังมากเขาไม่ค่อยได้ทำงานทำการเขาคิดอย่างนั้นนะก็เลยตื่นเวลาไหนก็ได้ตรงันข้าม ผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้ใฝ่สันติกับชีวิตตัวเองเนี่ย mm. เขาจะตื่นดึกลูกเช้ายิ่งคนใกล้ๆจะบรรลุอรหันต์เนี่ยเก็ยิ่งตื่นดึกเพราะเขามาเฝ้าดูนะดูตื่นดึกเท่าไหร่เนี่ยมันจะง่วงเหงามันจะซึมเขาจะสังเกตด้วยนะฮนะ mm. เขาเอายนทั้งมันหมดออกไปจากใจไม่ให้มันมีตื่นเช้าเพื่ออะไรเพื่อเกิดเพื่อตื่นขึ้ น, นมาแล้วมนดับกิเลสยังมาเฝ้าดูว่าอะไรเหลืออยู่ในใจบ้าง ถ้าตอน เ, เช้าๆนี่อะไรมันหลบเข้ามามันแอบเข้ามาใช้ส า, สายมาตอนเที่ทยงคนทั้งหลายนอนแต่พระเขาจะสอบตรวจสอบดูจิตเขาเองอยืตนตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นอะไรเข้ามามังคือพูดง่ายๆเ่อเกิดมาชาตินี้จะหายจากเป็นโรคโรค ก, กดลงให้ได้ไม่มันมีมีแต่ความรู้ตัวล้วนๆเนี่ยในความรู้ตัวล้วนๆนีน่พอพัฒนามาเขาก็จะกลายเป็นสติเป็นสมาธิเป็นญานนณทัศนะ เป็นวิมุตต์วิโมกเป็นนิพพานเลยชีวิตเนี่ยถามตัวเองดูดิเราเดินไปเดินมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดมาเนี่ยฝึกรู้ตัวบ้างไหมเนี่ยอรู้ตัวรู้ตัวนี่หมายความให้รู้ด้วยสติเนี่ยแล้วมารู้เท่าทันความคิดอารมณ์เนี่ยรู้ตัวไหมเดินไปเดินมากําหนดรู้ไหมไม่ได้กําหนดรู้นะใช้ชีวิตเหมือนครัวมืนควายเนี่ยคือมันเดินไปเดินไปเลย มันยงนั่งมันก็นั่งอยากกินเนี่ย ก, กินมันกลัวมันก็วิ่งหนีนะะพอถึงรู้ดูมันเป็นสัตว์มันก็เป็นสัตว์เนี่ยตอนนี้เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเลิกสัญชาตญาณแบบนั้นละเราจะให้มันรู้สึกตัวทุกครั้งก้าวเดินไปรู้สึกยกมือนี่รู้สึกมานั่งเฉยเฉยนีย่มันกระหลับนะเนี่ยแต่ถ้ายกมือเคลื่อนไหวลืมตาอย่างนี้มันช่วยได้ตั้งเยอะเนี่ยคือเป็นวิธีที่ฉลาดในการแก้ปัญหาว่า กรรมฐานเนี่ยมันมันไม่มีทางรอดมันไปไม่ได้เมื่อก่อนนะจะเวลาหลับตาเนี่ยนี้เรามาทําพิธีตื่นตาที่เนี่ยลืมตาขึ้นมันก็แก้ปัญหาเรื่องความหลับนี้ได้ง่ายที่ว่าให้สติต่อเนื่องไป็นลูกโซ่มันก็มีโอกาสเป็นลูกโซ่ทำเจ็ดวันมันก็เห็นผลแล้วถ้าเราทําใจจริงเนี่ยจิตมันก็จะตื่นขึ้นมาละแต่ก่อนเนี่ยทําแบบหลับตานีา่เดือนสิบเดือนยี่สิบเดือนเป็นปี สองปีสามปีสี่ปีก็ยังไม่บรรุธรรมอ่ะยังไม่มีได้ดวงตารมยังไม่รู้แจ้งเลยแต่นี่มันรัดสั้นง่ายนะมันให้เราได้สติตลอดเวลาเ่ยอันไหนที่ไม่อยากทำเนี่ยให้ทำอันนั้นอันไหนมันอยากนะเราก็จะสังเกตว่ามันอยากโดยทำหรือโดยกิเลสไม่ใช่คนมาที่นี่อยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำไม่ทำไม่ใช่นะ นั่นเรียกว่าไม่อยากศึกษาตัวเองไม่อยากศึกษาไอภาวะที่อยู่ภายในที่บอกว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่เอาโลกเป็นใหญ่มาที่นี้เอาธรรมะเป็นใหญ่นเนี่ยธรรมะในเบื้องต้นก็คือเอาความปกติของจิตเป็นใหญ่ส่วนเรื่องของกายเป็นเรื่องธรรมชาติตรงอันนี้ทำ ม, มากๆทำมากๆจนจนมันมันมกนั่นแหละมักแปลว่าชอบ มักผลนิพานเนี่ยเมื่อไหรคุณมักอันนี้มักที่จะรู้สึกตัวมักใจที่มันปกติชอบเนี่ยเขาเรียกว่ามักเริ่มเกิดในใจละนี้วแต่ถ้าทำไปแล้วว่าไม่ไม่รู้ว่าได้อะไรเบื่อหน่ายขี้เกียจหงุดหงิดเซ็งอะไรประมาณนี้แสดงว่า ม, มันยังไม่มักคุณยังห่างไกลจากสัจธรรมนะยังหลายภพหลายชาติตั้งโลกนี่เขาฝึกมาก่อนนะหลายๆคนเนะี่ย ฝึกเป็นคนเรียบร้อยถูกเป็นคนมีมารยาทฝึกเป็นคนปล่อยวางไม่เป็นคนเจ้าทิฐิมาน่เนี่คนนั้นจะได้เปรียบกาปฏิบัติธรรมเนี่ยบรรลุธรรมไว่ชาวบ้านนอกคลองนาเขาเขาทนต่อเวทนานะบางทีแต่ในเมืองใหม่จ้ามีโตะ๊ะนั่งโตะ๊ะกินอาหารแบบนู้นแบบนี้บ้านนอกคือยังไงก็ได้พอยังไงก็ได้เนี่ยหลือแต่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวที่เขาจะทํา แต่ของเรานี่ต้องมาเจ็บแข่งเจ็บคาอึดอัดหงุดหงิดเบื่อหน่ายคิดงานคิดการคิดโนอนคิดนี่เห็นไหมเนี่ยโง่มากภาษาเขาเรียกว่าโง่มากความคิดมันเยอะมันหลงไมากนั่นหลงเพ่อจะดึงกลับขึ้นมาเนี่ยยากมากแต่ชาบ้านแค่เขามาทําความรู้สึกตัวเฉยเฉยเนี่ยเขาจะเกิดวิปัสสนาญาณละในใจเรามีเยอะแยะนะมีความคิดมีอัตตามีตัวมีตน นะมีความเชื่อแบบงมงายมีราคะมีโทสะโมหะมุนหยิดติดอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงในใจเราเป็นอย่างนั้นที่จะมาล้างออกให้มันเหลือแต่ใจล้วนๆนะอันนั้นเขาเรียกว่าอนุใสรเรียกว่าอาสวะกิเลสกิเลสที่หมักดองอยู่ในใจเราแต่กิเลสตื้อๆเนี่ยอย่างเรามานั่งอยเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรใจเฉยๆอีกนนึแต่ ถ้ามันคิดอดีตอนาคตที่มันมีอุปทานอยู่ในใจเนี่ยเอาออกไม่เป็นเพราะไม่เคยฝึกมาไงไม่เคยเรียนรู้อันนั้นมีแต่เรากรบเกืือนหรือเดินหนีบ้างเปลี่ยนอารมณ์บ้างแต่มันไม่ใช่การรู้แจ้งไงเดีวมันก็เกิดอีกเดี๋ยวมันก็เป็นอีกเดี๋ยวมันก็คิดอีกมันไม่ถาวรศาสนาพุทธเนี่ยท่านจึงสอนให้ดับที่เหตุ อยาความง่วงหนึ่ง ง, ง่วงมาเยอะๆเยอะ ๆ, ๆ, ๆถ้าเราฝึกสติเยอะเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มัน ง, ง่วงมาสติก็ไม่ทํางานในการล้างมันในการดับมันในการระเบิดมันเนี่ยมันจะเฉยเลยง่วงเหมือนเดิมแม้ความคิดก็เหมือนกันเวลาคิดไหลไปทางตาทางหูทางจมูกร่างกายใจอดีตอนาคตไหลเข้าไหลออกมันก็เฉยเฉยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลไม่รู้จะเอาปัญญามาจากไหน เพราะเพราะตัวสติมันน้อยไงทีนี้ทําให้มันมากมากมากมากเข้ามากเข้ามาเข้าเวลาง่วงมาก็จะชนกันกับสติไอันนี้เกิดการสปาขึ้นมาหลังจากนั้นคุณก็ไม่ห่วงละคุณก็อยู่ได้ตลอดเวลาความคิดก็ทํานองเดียวกันนะมันคิดมานี่อย่าไปคิดตามมันคิดธรรมะก็ชจังคิดอะไรก็ช่างให้รู้สึกตัวเยอะๆอีกหน่อยความคิดกับสตินี้มันจะเกิดการปะทะกันขึ้นเกิดการชนกัน เราดูเห็นความเป็นอนัตตาความไม่มีอะไรมันจะปรากฏเกิดขึ้นในจิตของเราเองเรามีหน้าที่คือทํามาทําความรู้ตัวเนี่ยเนั้นความรู้ตัวเนี่ยมันก็จะมีบ้างแล้วมันแข้งขาตีนมืออะไรมันจะเจ็บบ้างปวดบ้างเมื่อยบ้างนะเสียเวลาเวลาเลยสารพัดน่ะแต่ว่ามันไม่มีทางอื่นนอกจากทําความรู้สึกตัวแบบนี้คุณจะรู้สึกตัวกับการลบปลุกประคํากัน สร้างจาวัวะการเดินโจ ก, กรมการกำหนดรู้กับพองกับยุบมันเขาว่าไปแล้วแต่แต่ว่าต้องให้มันรู้จริงๆรู้จนทั้งว่ามันเกิดวิปัสนาขึ้นมาวันนี้วันแรกนะเวลายกก็ยกสูงสูงก็ได้ยกขึ้รสูงหายใจลึกๆเนี่ยวันนี้อากาศจะเย็ยนลงนะสองถึงสามองศา จะเริ่มที่ภาคอีสานก่อนนะครว่าความหนาวเนี่ยแล้วจะขึ้นไปทางเหนือที่หลังนั้นบ้านเราเมืองเราอะไรอะไรเราก็ได้รับก่อนเป็นโอกาสดีมากนะหนาวเราก็หนาวก่อนร้อนเราก็ร้อนก่อนฝนตกฝ น, นตกก่อนลืมตาลืมตามองไกลๆมองไกลๆใหญ่มันง่วงสวร้างจังหวะแรงอืม ยมเคยเห็นเนาะเกิดมาเนี่ยคงได้ลูกหลายคนแล้วเนี่ยจาสอนลูกเราให้มันเดินนะทํำยังไงเนี่ยจ้าจ้าเนี่ยจับขามันเดินอันนี้กําลังสอนให้มันไม่ง่วงนะเนี่ยสอนให้ลูกไม่ง่วงเนี่ยสอนยังไงลอยใจจรลงไปจับดึงหนังตามันออกเขานะเนี่ยเนี่ยนั่นแหะเขาเรียกว่าลูกสิทธ์เนี่ยให้มันเกิดขึ้นจากการสอนเนี่ยเกิดปัญญาเนี่ยกาลังสอนไม่ให้มันง่วงเนี่ยลูกเท่าๆก็มีนะมันสอน นะสอนไม่ง่วงนะเนี่ยนั้นตอนเกลีแล้วมาปฏิบัติทำมอันตรายนะมันง่วงอืมใครมีเสื้อดำดำเสื้อกันหนาวใส่เสื้อขาวทับเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะนะไม่มันเห็นสีดำเอาเก็บไว้ข้างใน น, นั่นถ้ามันหนาวนะโอ๊ยไม่ไม่มีเสื้อกันหนาวเอาเข้าไปข้างในใส่เสื้อขาวทับไว้ะ ในในวัดนี้มองไปแถนไหนให้มันเป็นขาวๆเหมือนพระมองไปแถนไหนก็เป็นสีเหลืองนียถ้าพระบวชใหม่เนี่ยพระบวชใหม่ๆอยู่ใกล้นิพพานบวชนานๆ น, น, นิพพานชักไกลบวชไปบวชไปไม่รู้อะไรเป็นนิเป็นพานนะั่งนี้ท่านบวชใหม่ๆเนี่ยมันอายกลัวว่าจะไม่ได้ก็บุกใหญ่เลยแต่พพวกนานๆเนี่ยเหมือนพวกรู้กฎหมายนะกิเลสแดกก้อนน่ะนะนะ มันบีบหนะัวหมดฮะนมองไกลๆไก ใ, ใจเนี่ยไฟเนี่ยยังเห็นมันสว่างตลอดเวลาไม่เห็นมันหลับตทาสักทีฮเวลาพวกไปฝึกกับลมหายใจเนี่ยเขาจะไม่ให้หลุดจากลม